เรื่องอณิสงของการบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนโาคามิสะพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสส ภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุปตสาสเจเวเวิคเวสัมมาวิหะระยุงอสุนโยโรโกอรหันเตหิอัสสะธรรมโมสกจังโสตะโพตีเขาน้อมน้อมแดบลาผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครู ข, ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความพาสุุทุ ป, ปรการเจอบังเกินมีแด่ญาติโยามพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรม ผู้แสวงหาคณงามความดีผู้ฝ่บุญฝ่กุศลทางหลายโดยทั่วการทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ทํานี้กระถาทางสานิวิทยกกระจา ย, จายสเสียงในภาควันพระในวันนี้นั้นอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวทาให้กระถาอีกครั้งหนึ่งก็จะขอกล่าวต่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการบวช ซึ่งได้พูดกันมาสองวันพระแล้วมันก็ยังไม่จบลองเอ่ยอยู่ยดีๆเพราะว่าเวลาอันจำกัดหนึ่งชั่วโมงมันก็หมดติ้นไปวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดเพิ่มเติม <c oughs> พูดเพิ่มเติมให้มันจบในภาคนี้สองวันพระที่ผ่านมานู้น ได้พูดแต่ในเรื่องอันซองเหตุแห่งการออกบวชก็ดีและการประพฤติปฏิบัติในการบวชตั้งแต่เริ่มได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเรื่อมใสแล้วก็เข่าไก่แล้วก็มาพิจารณาด้วยใจอันละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชมาออกปวนแล้วก็สํารวมอินทรีย์เมื่อสํารวมอินทรีย์แล้ว มีสติสัมปชัญญะมีสีนอรงดงามมีจิตต่างมันมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เลยมีความสมบูรณ์ด้วยโคชงคือทำเจ็ดประการแล้วก็มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความลดพ้อนอวิชชาวิมุตติงบริปุเรนติลาเหีนได้ว่าเป็นทททททททททททททดาทสดทท คาเหมือนฝนตกเม็ดใหญ่ๆตกหยาบๆความมือนตกที่ยอดเขาไหลลงมาข้างล่างมาครังตามแอ่งบึงน้อยบึงใหญ่ตลอดทั้งเต็มห้วยน้ำลำธารห้วยทานาละหานน้องเล็กใหญ่เต็มขึ้นไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลมหาสมุทรเต็มไปชั้นใดการศึกษาการปฏิบัติการออกบวชจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการแ บ, บผลนั้นเริ่มต้น ง่ายเหมือนฝนตกแต่ละเม็ดรายหยาดนั่นนะตกมากขึ้นมากขึ้นุนแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้คบเเสฟสตัปบรุษเริ่มคบตั้งแต่ได้ฟังคำสัง่งสอนของสตัปบรุษเริ่มตนเองมีศรัทธาแล้วก็คิดพินิจพิจารณาอย่างละเอียดละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชแล้วก็ต่างออกต่างใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อินทรีย์สังวรํารวมตาของวัจจโมกเล้นกาใจ เริ่มมาตั้งแต่นู่นแหละปฏิโมกสังวรตินสังวรอินทรีสังวรมากาเรเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เป็นทอดทอดมาอย่ น, นี้แล้วเราก็มาเล่าเรื่องการออกบวชสลอดสังเวชเมื่อได้คบเสพกับสตบุตรดได้ฟังธรรมของท่านหลังจากนั้นก็มองเห็นโทษเห็นคุณของโลกเห็นโทษของโลกเห็น คุณเห็นเหยื่อล่อเห็นอัสสาธะอรรถสเสนอันเยาวยวนอันติดอกติดใจฉาบไลฉาบทาให้มนุษย์เราติดจมอยู่ในโลกแลก้วจะเห็นโทษอันต่ำซามแสบเผ็ดทารุณของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายต่อมาจะเห็นทางออกคือการออกบวดนี่เป็นการอ่าเป็นชีวิตที่เบาปโปร่ง เป็นชีวิตอิสระมือ น, นกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนออกบวชแล้วก็เริ่มต่อพื่อปฏิบัติสัมรวมปฏิโมกสัมรวมสิ้นสัมรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็ทําให้คาทั้งเจ็ดคือพอชองต่างแต่เรามีสติมีธรรมวิจิวิจัย ค, ค้นคุ้น ค, คิดทำละเอียดหลังจากนั้นก็มีวิริยาความผากเพียรพยายามยืนเดินหนังนอนผากเพียนละ ความชั่วที่เกิดขึ้นในใจพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามปิดกั้นความชั่วที่ไม่เกิดขึ้นนี่ว่ามีความพิยิ่งอย่างถูกต้องหลังจากนั้นก็จะมีความปีติอิ่ม อ, อกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ใหม่เป็นพิษเป็นภยัยหลังจากนั้นก็เกิดความสงบก า, ายสงบจิตเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาหลังจากนั้นก็เกิด ความรู้ที่ถูกต้องเกิดวิมุตตความหลดพ้อนอันแท้จริงเกิดมีขึ้นนี่ขาสบาลนลูกเศรษฐีอยู่คนเดียวขอเท้าความอีกทีนึงได้ฟังเทศมาขอลาพ่อแม่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก็อ น, นอนกลิ่งขอตายพ่อแม่ไม่สามารถจะอ่อนวอนตันทานได้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธานุศาลีเหลนตามศรัทธา หลงนั่งเพื่อนฟุงมาบอกก็ไม่ยอมในที่สุดพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ขอให้มาเยี่ยมเมื่อบวชแล้วก็ได้ประพฤติธทำบรรลคุความเป็นพระอาหารหันต์กลับมาบินทบาที่บ้านเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่จําไม่ได้เพาเห็นผ้าเหลืองก่เครื่องตาพากันดากันกรวดพวกสมัมมาสีสัลโนเหล่านี้แหละที่ทําให้บทชายคนเดียวของเราได้ออกบวชเสียใจ แันบินธาบาลไหนไม่ได้ก็แวะมาที่บ้านตนเองมาเห็นนางคาสีเอาขนมบูรไปทิ้งเศรษฐีกินทุกวันไม่หมดเอาไปทิ้งทุกเช้าจะให้คนอื่นกินก็นกลัวชิบพายวายบอดตามประสาสัญชาติตายานนายทุนหน้าเลือดมันไม่เหมือนคนมีโอบออมอารีเป็นเศรษฐีใจบุญท่านก็นกไปขอขนมโบน้องยิ้งจงเทขนมกลมมาดอันบูดแล้วลงในบาตของอาตามานี่ เขาเทขนมบทูทให้ท่างก็ไปนางกินขังฟ้าเรือนทีนี่พวกนางคาสีจําได้ก็ไปบอกพ่อบอกแม่วันนั้นรัฐบาลมาขอขนมบทูทที่ข้าเจ้าข้าพเจ้าไปทิ้งพ่อแม่ก็โกรธไปต่อว่าบ้านมีทําไมไม่ไปไปกินขนมบทูทมันตียะกระูน้องตนเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพุทธญาของเรากลับก บ, บินพัด เช้ามาเนี่ยพักนิโคทานร้านก็เหมือนกันเช้ามาก็อุ้มบาศขอทานบินทบาทนางพิมพ์พาตีอกชกหัวเสียใจไปบอกพ่อขายขี้หน้าใหญ่แลว้วเพระราชโอรสของพระ อ, องค์เที่ยวอุ้มบาศขอทานเขาอยู่นู่นขายขี้หนาตะโกนกริย์บขอก็มาถามตะกูลของเจ้าไม่เคยมีคนทําอย่างนี้บานมีอดอยากทําไม่เจ้าจึงมาต้องมาขอเขากินมาว่าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาราชตระกูลของอาตมาทำอย่างนี้แต่ตระกูลของมหาราชไม่ได้ทำอย่างนี้คนละตระกูลกันแล้วอาตมาทำตามตระกูลทำตามวงของอาตมาเรียกว่าอริยวังสปัปติปทาอริยปเวณี ประเพณีของพระอริยเจ้าปฏิปทาอยู่ในวงตระกูลของพระอริยเจ้าขอเขากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ตระกูลของพระราชาอย่างท่านแอบไปอย่างนี้ในที่สุดก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่คือการบวชเอาออมาก็พอดีทาง รัฐบาลก็พูดอย่างเดียวกันรูปไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วสทากรรมสัมนาเนนคะเรียังประภาชิตังเป็นผู้มีสธาออกบทจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมหาราช อ, อครห์บอดีอแต่มาไม่มีเรือนเคยไปบินทบาทผ่านบ้านของเครหบอดีเขาได้ยินแต่เสียงดา่าพอก็เลยนิมนต์ฉันพวกนี้พวกนี้ขับไปฉัน เอาเงินเอาทองมากองท่วมหัวท่วมก่าวบอกให้ทันซึกมาทัานกาไม่ซึกเอาขวุนนางคาสีตาซาคนสวยคนงามเอามีร้วมีเกลาแต่งตัวว่าวัวแบบแหวมมาก็พากันมาชักชวนมายั่ว ม, มายวน ม, มาจับมือถือแขนจับแขนจับพา้าให้ทันซึกทันก็ไม่ยอมนายทันซึก็เลยบอกว่าจะถาวายอะไรก็ถาวายเธอดนีมนต์อาตมามาแลว้ว ยาได้มาทำอะไรแต่มาลาบากเลยพ่อก็เลยถวายอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จท่านฉันเสร็จท่านก็เลยเทศให้ฟังก็ไม่ได้เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องความสวยความงามของร่างกายซึ่งพ่อได้นําเอาเมียเก่าทั้งหลายมาแล้วก็เอานางทาสีคนสวยใครก็ได้ที่สามารถจะยว ย, ยวนให้รัฐบาลศึกงท่านก็เลยเทศเยอะเย้ย ข้อความจริงอ่ะไม่ใช่เยอะเยอยในความรู้สึกของพระอริยเจ้าจงมาดูอัตภาพอวิจิตมีกลายเป็นแผลอันคมกันอยู่แล้วกระซับกระซายไปที่ดําริของชนเป็นอันมากมันมีความยั่งยืนมัน่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุนทนมีกระโดกอันหนังห่มห่อไปแล้วงามพร้อมด้วยผ้าเครื่องแต่งกายของหญิง เท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสด ท, ทุกวันนี้ก็บกวาปากที่ทาสีแดงเล็บแดงๆหน้าที่ไล่ด้วยจุนด้วยแป้งพอจะหลอกคนง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพายนนี้ผ่านไม่ได้ผมที่แต่งงามดับเป็นละลอนตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดทุกวันนี้ทาตาดำเหมือนถือควาปัดแล้วนี้พอจะหลอกคนง่ได้ แต่จะหล่อพูดสวฮหาฝังเคยนิพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการแต่งตัวงามเยิ้มด้วยทองด้วยย้องสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาพรหลาซสีแต่ภายในมันหุ่มห่อของเน่าไหลเข้าไหลออกเป็ดเปอยู่นั <c oughs> ่นแหละก็ใอยจะว่าธรรมานิพพุทธจะอะไรรุนแรงเป็นเน้กระตีบนะว่าตามาริยเจ้าพอกายเน่า ที่หอห่มด้วยเครื่องอลังการประดุจธนานยายอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนงอให้หลงได้แต่จะหลอกผู้สวยหาฝังคือพระนิพพานไม่ได้ทันดังร้ายเป็นดังพานเนื้อวางบ่วงไว้คือกันกับในพนันไทแหงว้เฮ็ดบ่วงไหวเอาเนื้อกินเอาเนื้อไปล่อ แต่เนื้อตัวฉลาดไม่ติดบววงเมื่อผ่านเนื้อกําลังข้ามโกลยดเรากินแต่อาหารและจากไปไม่ไปติดโบวงนี่ท่า น, นยืนเทศนะทะวันนี้บางแห่งยืนเทศไม่ได้เข้าใจผิดกันไปแล้วสมัยพุทธกาลยืนเทศพระพุทธเจ้ายืนเทศบ่ยบยอยไฟฟาอาริยาจาเจ้าพราะอรหันยืนเทศสมองผมพรัฐบาลนี่ยืนยืนเทศเลยในเช้าลองไปเปิดพระไตรปิฎก ลัทธปาละโสตมัจฉะปัญนามัจฉะในกายเล่มที่สิบสามข้อที่สี่ร้อยสามสิบเก้าใ ห, หลองเปิดดูท้ายๆแห่งข้อนั้นน่ะจะบอกว่าท่านเดินรัฐบาลเืินกล่าวคาถ า, าเหล่านี้แล้วเึงเข้าไปยังพระราชออทยานมิขาจิระของพระเจ้าโกรบและนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งที่ว่ายอย่างนี้ ในสมัยพุทธกาลนั่นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรเนอะหน้าที่ของพระก็คือบวชแล้วปฏิบัติธรรมเทศให้คนฟังสอนสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ต้องมาโมวผมมาจะโรกายากเนอะไม่ต้องมารอคอยทำมาตเตสิงเหลื่อมหยาๆยาเนื้อเนืพอจะยืนเทศก็เทศกลางคันนาก็เทศไต่ร่มไมก้กลางปลาเทศทุกวันเนียโอ้ยทำมาศระยิบระยับเหลื่อมหมากหมบ ขึ้นไปนั่งหาที่จะวามือไม่ได้มีจะแนวกินมีแต่อาหารมีแต่น้ําหอมไม่เลยไม่มีธนบวานน้ำส้มเพอภไพม่ใช่น้ำหอมตั้งเป็นแถวสแสดงอวดกันบอกวัดนี่ไม่ยิงก่อนนะเจริญวานบางแห่งสติ ก, กิก้งคนนั้นยืนเทิดไม่ได้ไม่เหมาะสมว่าเข้าไปนนั้นไม่รู้ว่าเป็นความห่องและความฉลาดในสูตรนี่เราจะเห็น มีหลายหลายแห่งพระพุทธเจ้า ก, ก็ยืนเทศอย่างเทศเนี่ยพาเหียยฟังจนบรรลุปเป็นพระอรหันต์ยืนอยู่กลางบ้านกลางทางเดินบ้านรัฐบาลเทศกันนี้ยืนนะยืนลองไปเปิดก็แต่ปีดกมัชิมาินกามัชิมปาปนหาเล่ม 43, ละที่สิบสามรัชปาลและส่วข้อที่สี่ร้อยสามสิบเก้านาที่สี่ร้อยหนึ่งท้ายๆของข้อที่สี่ร้ยสามสิบเก้านี่ จะบอกให้รู้ว่าท่านรัฐบาลนะท่านยืนเทยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปอย่างพระราชาอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพบว่าอย่างนี้อัตโขจะสมารสปาโลทิตโกวะอิมาคาถาพาสิตวาเจนะรันโยโกรพจัสะมิคาจิรังเตโนพสังกมิทิตโกวอิมินาคาถาืยืน กล่าวคาถาเหล่านี้เร็วอิมินาคาถาคาศิตตะวะยืนกล่าวคาถาเหล่านี้เร็วเยนารันโยโกรพยัสสมิคาจีลังเตนประสังกามิปสังกา ม, มิตวาอันจะตระสมิง้งลุขะมูลเลทิวาวิหหลังเนสีธิรันทันพระรัฐบาล เดินกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรัภาษาบาลีว่าโกรปยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ในโคนไม้แห่งหนึ่งจำไว้ให้ดีเพราะส่วนมากจะอยู่กันใต้ต้นไม้กลางพื้นดินเอาผ่านไปนี่เราพูดถึงตัวนี้ในตอนแรกนะในตอนแรกต่อมาอ่าตอนสองในวันพระที่ผ่านมาโนท แล้วก็พูดถึงอั น, นิสงคของการบวชที่พระเจ้าโครบรู้ข่าวก็ไปหาพระราชบาลสงเสวิมลูกเศรษฐีนี่ทําไมจึงบวชตามปกติแล้วคนบวชมันจะต้องมีความเสื่อมซีประการนึ่งเท่าแก่แชร์รวยหนังโ้ยลูกโวยไปทุกผ้าเสือ่อมเพราะชราหากินไม่กลุ่มฟุบปุมปากและบวชสรงบวชเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสือ่อมเพราะพยาธิหาอยู่หากินไม่หละ่ะจ้องเองาแงเป็นคงที่คงพีกัน เออเอาไปฝากวัดพ่อแม่สมัยนี้วันก่อนจอะมาไปไปวัดแห่งหนึ่งมาเร็วๆนี่เข้าไปแล้วเป็นวัดคิดว่าจะไปคุยกับท่านจเจ้าอาวาสก็ว่างพอดีมีเวลาพักพักเที่ยงในการประชมุมพักเพนโคบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์จ้าหันชั้นเพนเราไม่ได้ชั้นเพนเราเคยชั้นครั้งเดียวก็เลยบอกว่ า, วาเอาอเดียอยู่เฉยๆก่อน ไม่เขาที่ไปหาหลบมุมสงบสงบวัดตรงไหนในป่าสงบก็ไปในขณะที่ไปในวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่กุฏิวิหารก็ใหญ่ต่อเห็นผู้หญิงสาวสาวสองสามคนหาเห็ดในขณะเดียวกันเราก็ถามว่าพระไม่อยู่เลยเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาหาเห็ดแสดงว่าไม่คุ้นเคยกันสักพักหนึ่งก็เห็นสามเณรนึกว่าเป็นพระตัวใหญ่ ผ่าสะบองมอมอแมไปหมดมือถือไขควงแล้วกะถือเหล็กอะไรแล้วก็เดินกไปถามเวลาหลวงปูงยย่ใหญ่เข้าไปอยู่บ่อคราอาจารย์ไปสายถามไงก็ไม่พูดถามทังนัก็ไม่พูดสันหัวเอน้าตาใหญ่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไขควงไขควงถืออะไรดูสะบองมอมแอมดูหน้าตามันยังไงชอบก่อนแล้วก็มีผู้หญิงมาหาเหตุเป็นสาวสาวเนาะ คิดไปไกลเลยเีนียอาตมาว่าเอ๊ะนี่แสดงว่าแกพูดไม่ได้ไปถามทนอื่นบอกเป็นคนพูดไม่ออกไม่มีเสียงพูดแล้วบวชเข้ามาได้อย่างไรเป็นคนพิ่กโกงพิการวิกลจริตผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ให้บวชในศาสนาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งอยู่ในวัดคนเดียวเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยเห็นสาวๆมาวัดก็อยู่ในป่ามหาแกบแ ดูจะมันยังไงกันเ อ, อิดบ้าบออะไรมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาโอ้ยขายขี้หนะนาซะขนานี่ก็มาบวชขนาดพูดไม่เป็นนะบวชนะขณาคิดเอกเหมือนกันมันก็เหมือนที่พระเจ้ากรรพบถามพระรัฐบาลนนะความเสื่อมทรยศการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้เข้าถึงแล้วย่อมปงผมและนวดหนุ่งหอมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตว่าอย่างนี้ ความเสื่อมสีประการเป็นชนเสริมเพราะชราเสื่มเพราะความเจ็บไข้เสริมเพราะโภคสมบัติเสื่อมจากยากนี่ใครจะเห็นได้ว่าบวชเพราะอันนี้เป็นการดำริที่ผิดที่จะบวชเท่าแกจะเลาะลยห้าอยู่ห้ากินใหม่พออยู่พอกินแล้งเข้ามาปวดถ้าบวชเท่าแล้วเบื่อหนายตอโลกเออเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยอิ่มเคยอดเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยชื่นเคยขมเคยเป็นพระเอกเคยเป็น เออเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียจนมาเคยเป็นพ่อเป็นแม่ เ, เบื่อหนายโลกนี่มันกมีเท่านี้เองมีเท่านี้เองบวชแสวงหาฝั่งสแสวงหาฟั ง, งปาละคาเวสินโนไปนสแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานคือความดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็น่าอนุมโมทนาเท่าเป็นได้ก็ควรบวชแต่ว่าจะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อมาเสื่อมเพราะเจ็บไข้แต่ป่วย อ, อดออดแอบพิคงพิการหาอยู่หากินไม่ได้ไม่มีคนอุปทานก็เป็นบวชนี่อีกอย่างนะทา้เป็นภาละไอ้แก่ทางาศาสนาองค์กรของาศาสนานี้ก็เลยตกได้แต่คนที่ล้าหลังในสังคมแทนที่จะมาเป็นผู้นาทางสติปัญญามันเป็นคนล้าหลังทั้งทางสติปัญญาทั้งทางอาชีพทั้งอะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็แย่ยต่มามีความเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติ เป็นคนล้มละลายสะพอสุนโยล้ลมละลายโดยประการทั้งปวงมีไหล่มีนาซาโททรัพย์สินสมบัติเงินทองขา่าของปอแม่แบง่งสันปันส่วนให้เอาไปถันลุงสักเกียงเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเล็เล่นหวยหาซื้อเล็กลงเหล็กไหลเล่นการพนงพนันหมดเกลี้ยไม่มีทางไปหล่วยเขาบวดแต่เงินอีกยังซื่อซิกออกไปไหมอะไรทำนองเนี่ยร้านที่สี่เสื่อมเพราะยากจากยาก เป็นคนกมพ่าพ่อแม่ล้มหายตายปากจากโกรกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากกันแล้วก็เลยแบบมีที่พึ่งพาอาศัยหันเข้าบวชวถ้าสลดสังเวชไม่เป็นไรดีอย่างนางปตายจากลาลูกตายเสียหัวตายจากพัดผ่าพ่อแม่ตายพี่ตายน้องตายไฟไหม้บ้านตนเองเป็นบ้าทะเลาดทะลาะได้ฟังคำและสังเวชสลดถึงเหลืองลาวของชีวิตเป็นอเนกชาติที่เกิดมาก็มีอย่างนี้ ได้มากก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าอยู่เพียงแค่นี้แหละนางเอ๋ยเยจงแสวงหาฝังเทิดเฮ่นนี่ก็บวชปะพฤืชทำได้เป็นพ่ออรหรันแต่นี่เสื่อมจากญาติบวชแล้วพอมีเงินมีทองก็ไปหาญาติใหม่ครับเอาพว่ากันไปนี่พระเจ้าก็ลบถามนะไม่ใช่อจะมาพูดเอาเองความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้พูดเอาเองถ้าไม่คนบวชพระเจ้าก็ลบคำว่าอย่างนี้คนบวชเพราะความเสื่อมสี่ประการอันนี้ ความเสื่อมสี่ประการนี่แหละที่ทำให้คนเราได้ออกบวชในสมัยพุทธกาลนู่นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็มันเหมือนกันมอนเหมือนกันท่านก็ว่าความเสื่อมสี่ประการนี้เอกัจโจชินโนโหติอุทโทมหัลลโกอันทักกตววโยอนุปัตโตมีบวชเพราะความเสื่อม เมื่อแก่เฒ่าสโสอิติปฏิสันจิคติอาหังโคมิเอตรหิชินโนวุตโมหันโลมันละโกความคิดเหตุที่ให้เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็คิดอยากจะปวดจะวายอย่างไรแต่ความจริงนั่นพระรัฐ บ, บาลท่านบอกไม่ได้ไม่ได้บวดเพราะอันนี้ อะไรๆก็มีหมดใช่พระเจ้าก็รบกวนรู้เออท่านมีหมดทุกอย่างพอแมวของท่านรวยที่สุดในเมืองนี้ญาติของท่านก็เยอไปหมดนหน้าหนาเท้าตาร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์กำยำลําสันต่งสมบัตินี่มีมากแต่ท่านบวชเนี่ยเพราะอะไรลื้อท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้แต่ได้ฟังธรรมเห็นไหมล่ะทําอะไรทํามุทเทสี พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานําไปนําไปไกลและวไม่ยั่งยืนโลกนี้คือมูสอัญชลานําไปนําไปไกลแล้วไม่ยั่งยืนโลกนี้ไม่มีผู้ตันตา น, ตานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอันเนี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตอนจําจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปมีแปดหมืนสีพันล้านมีแสนโกดจักรวาลเป็นสมบัติของเราคนเดียวก็จะต้องถอดทิ้งไปไม่ใช่เป็นของเราได้จําจะต้องละสิ่งเหล่านี้ไป เป็นพระเจ้าแผ่นดินดีสมมงกฎมีคาาทองคาอยู่ก็จะต้องละสมบัติเหล่านั้นไปเหมือนยาจกขนยะขอทานก็มีสิทธิเสมอเท่ากันเ่อแกเ่เจ็บตายสุดท้ายโลกพ่องอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นจะมีมากสักแค่ไหนความอิ่มความเต็มไม่มีนะกะหาปนวัตเสนะติติกาเมสุวิชติให้ คนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองไหม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกผายภูเขากลายมาเป็นทองคำใหม่เพียงพอต่อการของความต้องการของคนโลกตายแล้วตายอีกตา ย, ตายอีกตายแล้วอีกห้าล้านชาติก็ไม่เพียงพอ ต, ต่อตันหาจึงบอกว่าโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตแห่งตันหาเราได้ยินได้ฟังทำอันนี้เราจึงออกไปบวชหันว่า ย, ยัางนี้ลองคิดดู ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม, ม่ไม่ไม่มีอิ่มไม่มีเต็มก็เลยเลยเลยต้องออกไปบวชอาตาโนโลโกอานาพิสกรติออกบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาเพราะ ม, มองเห็นธรรมเหล่านี้คำเหล่านี้ได้ฟังได้ยินก็เลยออกบวชคันวัน อุทิศายามหังยตวาจะทิศวาจะสุ ต, ตวาจะอนัคคานรสมานักคริยังประภิตโตกะตมียจตารวมเฮ้ยฟังธรรมจากพระศาตตดาผู้รู้ผู้เห็นด้วยธรรมมุทเทสี่ข้อนี้แหละเราจึงออกบวชหวอย่างนี้อปปนิยติโลกอันทุโวติโอมหาราชาเตนะภวตาชนาตาโลก คือหมูสัว์อัญชลานําไปนําไปไก่ใหม่อย่างยืนโลกใหม่มีความอิ่มความเต็มโลกของรูเป็นนิดโลกใหม่มีใครต้านทานจำํำจะต้องพัดผาาไปจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่มีอะไรเป็นของของเราแต่ก็ว่าของท่านสี่ข้อเนี่ยเราเลยป่วยไปก็เลยออกปว่วยถ้าเจ้ากรุท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ เรื่องความแก่ความเท่ากำลังวังชารดน้อยถอยไปแต่นี่พระองค์มีอายุแปดสิบปีแล้วแต่พระองค์มีกำลังวังชากำลังแข็งกำลังขากำลังหลังกายสามารถจะรถทับจับศึกเอาชนะข้าศึกศัตรูดาสกร hips, อยู่แลหรือบอกหอยไม่ได้แล้วแต่แต่ลูกขึ้นจะก้าวไปข้างหน้าก่อนลำบากสมัยก่อนนึกว่าตนเองมีฤทธิ์เก่งที่สุดนั่นแหละเรียกว่าโลกคือหมูสัตว์อัญชารานําไปนําไปไก่ไม่อย่างยืนตาไม่อย่างยืนหูไม่อย่างยืน อาดามาได้ยินคนํานี้ขอบวชก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นวายอย่างนี้ขอที่สองโลกไม่มีผู้ตันทานหมายเป็นใหญ่เฉพาะตน้นอย่างนี้จะเอาอะไรมาต้านทานทรัพย์สมบัติข่าวข้องเงินทองจะมาต้านทานไว้ไม่ได้จะต้องล้มหายตายจากพัดผ่าจากกันเป็นสิมีเงินหลานเงินเกือกตามสางพระญามาจราดหนีบวะเห็นแก่เงินคํานี่เงินเกือไทยเอาบะมีได้ตายทิม อันหนึ่งละ่ะอันที่สองละอันที่สามไม่มีอะไรเป็นของของตนมีมากแค่ไหนจะต้องถอดทิ้งอันที่สี่เกิดมาเอกห้าแฟนชาติก็ไม่รู้จักอิ่มจักเต็มดอกชีวิตนี้น้อยนิดไม่เพียงพอต่อตัญหาความอยากความปรารถนามันไม่อิ่มโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดขอบคลองแผ่นดินแฟนนี้แล้วยังไม่พอนั้นจะโศท่านกอสลุกสลลบในคา ม, มาขาธาร์ท่านบอกว่า เราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วยังไม่ให้เพราะความหลงคาว่าไม่ให้ไม่ให้คือมีมากๆแล้วก็ไม่ให้ทานไม่ไม่ให้ทานไม่ได้ไหม้ยว่าให้แต่พระทรงองกเจ้าให้สมณภาพาหให้คนอื่นก็ไม่อยากจะให้โลกเต่าเล้าล้านเองก็ยังหวงหึงเอาไว้บางคนมีมากขนาดก็ขี้เหนียวเป็นเศรษฐี้าความสุขไม่ได้ ไปไหนมีเจนาเศรษฐีไปไหนมีแต่สิ่งของเศรษฐีบ้านเศรษฐีคนโน้นบ้านเสียนั้นเสียนี่แต่เสียนั้นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานใครเหมือนกับจะเป็นผู้ครองโลกในทางโลกนี่ฮนะบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปัสสามิโลเกย์สถานมนุษย์เสลาธานวิตรังนะัทธันติโมหาเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลง โลบแล้วย่อมทำการสะสมทรัพย์และยังปราธนากรมทั้งหลายยิ่งขึ้นไปป่าถนายิ่งกันไปสะสมเท่าไรก็ยิ่งปราถนายิ่งึ้นไปพโยจะกาเมอภิปัฏธนยันติปราธนาการมยิ่งยิ่งขึ้นไปว ย, ยป น, ยนพยะนยนระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดทั้งแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุด มีได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปราถนาฝังสมุทรข้างโน้อนอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความเสียอทญย่ยอมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนีสละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย <c oughs> ดูมีมากแค่ไหนก็ไม่พอไสหะปเทวิงวิชิตวาสักสากรันตังมหิมาวสันโต orang สมุทรทัศอาทิตรุปโภปาลังสมุทรทัศสปิปัตยยธา เ, เดอไม่รู้จักพอทรองครอบความแผ่ น, นดินมีสคาครเป็นที่สดไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปราถนาฝั่งสมุทรข้างโน่อนอกีกทีท่านเทศสรุปนี่คมคาถาของท่านพระราชาและมรุษแม่เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยาน ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พ่องอยู่เป็นนิจละร่างกายไปแทไม่เพราะว่ายังไม่เคยอิ่มในความปรารถนานั้นตายซะก่อนฮึตายซะก่อนย่อมเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปแทสํานวนพระไตรปิฎกฟังยากคนสมัยนี้ราชาจะอันเ ย, ยจะพระหกมนุษย์ซ่าอวีตตันหา้ามาลาังอุเปนติบ่ฮันอิ่มตายก่อนเหมอภาษา ไอ้ตัญหาวารนังอุเปนติเลยสิยังไม่สิ้นความทเยอยวยาญเข้าถึงความพ่องอยู่ระร่างกายไปโดยเทศความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยทา่านไว้ทั้งนี้ความอิ่มในกามนั้นไม่มีในโลกเลยกาเมหิโลกมหินะหัติติ ท, ท, ท, ทิความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลย อันหนึง่งญาตทั้งหลายพากันสยายผมข้าควนถึงผู้ดันผาตันกล่าวว่าตายแล้วโอ้ยตายแล้วเดชันตายแล้วเนอพวกญาตนำเอาผู้นั้นคุมด้วยผ้ายกขึ้นเชิงตะกอเอาไฟเผาเอาไม้คมแหงทับเอาไม้เคียเพื่อให้ไฟไหม้ไวๆแหงด้วยลาวเฮ้อเหลือแต่ผ้าพื้นเดียวละพอกระทับสมบัติไปนุ่งแต่ผ้าพื้นเดียวเข่าลงไป มันท้องเหลือกสวนไหลหนาเศรษฐีทั้งหลายก็ทิ้งเว้นในโลกอยากกอดดีมิ่งกอดีเห้ยทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไปไม่มีเอินมหาหันใจซอยกะบ่อได้มาซอยแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดเล่าทรมานทางกายไม่มีชา ย, ยาดทั้งหลายก่ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ก็ย่องไปตามตั้งที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้่าหวังนัทนะทนะมันเวดิจินจี ทรัพย์เหล่านั้นไม่ตามไปหมดภรรยาทรัพย์แหวนแหวนก็เฉ่นเดียวกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีเงินมากจ้างให้อายุยืนยืนมีเงินฝากธานาคารเป็นร้อยล้านและจ้างให้อายุยืนยืนไม่ได้ว่าบุคคลย่อมไม่ได้อายุด้วยทรัพย์และไม่กําจัดชราได้ด้วยทรัพย์ว่าอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนะัก ไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนจะจะตายด้วยกันทุกคนอัฐาจะทวิทาจะสเพมัจะปรายนาทั้งล่ำรวยทั้งมั่งมีล้วนจะตายด้วยกันทุกคนทั้งคนรวยคนจนย่อมกระทบภัสสะทั้งคนพานทั้งคนงอทั้งบันเดตจนังป่าตอกกระทบภัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นการใจเหมือนันแตกคนง่ย่อมนอนวาดภาวะ เพราะความที่ตนเป็นคนโ ง, ง่ส่วนนักปดัดอันถูกสัมผัสด้วยอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นและปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทําบาทปทํากรรมเพราะความหลงในพบน้อยพบใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงในคันบ้างประโรคบ้างคําว่าในคันก็คือเกิดเกิด เกิดในท้องแม่บัง่งประโลกก็คืออาจจะไปตกนะั่นลกบั่งเป็นเปร เ, เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานาว่าในคันนี้หมายาว่าในในคันของมนุษย์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายซึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาย่อมเข้าถึงขันบัง่งประโลกบั่งผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อถือได้ว่าจะเข้าถึงคันและประโลกหมูสัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดรอ้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหนะ้า เียเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีการตัดท้องย่องเบาเป็นต้นย่มเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงตามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่มย่ำหยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบอบผิดราชสมภารอาจจะมาผพพ้าเห้นโทษในการทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียว มานบทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทํำลายได้พูดง่ายๆว่าผลไม้ทั้งหลายในส่วนมากมันจะหล่นก็ต่อเมือ่อมันมันแกมันสุกงอมแล้วแต่คนเหล่านั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมตายตายแต่น้นอยๆก็มีมหาบพิตอัตมาภาพรู้เหตุ น, นี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแฮ้ดังนี้เชียวนี่หมายถึงคุณ ของการบวชที่พระเจ้าโกรพยะได้สักถามท่นบบานรัฐบาลท่านก็นเลยเทให้ฟังแท่งสุดท้ายท่านก็นลงท้ายอธิบายมาหมดแล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะการออกบวชเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณอันเปิดเสริฐแท้แต่สมาหัางบรรพชิโตมิราชา ธุมาภราเนวะปัตตันติมานวาท้าหาราชบุษ tha จะสรีระเพธาเอตังวิทธิวาปันปิจโตหราชะอปันนาการสามันจะเมวะเสยโยติอปันนาการสามมันะเมวะเสยโยติการบวชเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอปันนากังไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐ แทสมัมมเม ว, วยะเสื่อยดิประเสริฐกว่าธรรมดาฟังกันเอะนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของลูกเศรษฐีคนมีเงินคนนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ทีนี้ก็ขอจบอุเทนในเรื่องรัฐบาลเนี่ยว่ามองเห็นคุณค่าของการบวชอย่างนี้แล้วเราก็มาสโลกกันอีกทีว่าการบวชนั้นมันมีประโยชน์ยาวนาน ประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาปัตพิเจปธมาทายอณาคารโรปริพเชอันยังวิหิ่งสยังโรเกอเิระเชนตังวรังแห้จะออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอุบ่าวเที่ยวขอทานคนอื่นเลี้ยงชีพความเป็นโยย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนปราศจากการเบียดเบียนประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลก นี่เป็นประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านยังมองไม่เห็นมันก็จงมองประโยชน์ที่ไกลออกไปประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์พิเศษออกไปคือประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมแลวก็ประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อญาติยาตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติแล้วก็โลกะถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก ประโยชน์นั่นแหละคือตัวอานิสงส์อานิสงสง์แปลว่าประโยชน์ฟรุด b e n e f i t ภาษาฝรั่งมหาพลาพลาพลาแปลว่าพ้นมหานิสังสาริสังสานิสังสารแปลว่าประโยชน์มหาแปลว่าใหญ่นิสังสามหริสังสาอานิสงส์ใหญ่ก็หมายถึงว่าประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งเข้ า, าแปลว่า d e c r e a s b e n e f i t b e n e f i t ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ผลอันยิ่งใหญ่ the great fruits and the great benefits ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ผล พ, พิเศษอันยิ่งใหญ่มีแก่โลกแก่สังคมควบคุมไปถึงต้นไม้ถึงดินฟ้าอากาศถึงนกนูกปูปิดสัตว์ราวาส่งค์ทั้งหลายการบวชได้ช่วยคุ้มครองท่าน้นหลายลองเดินทางไปในวัดในวัดป่าก็ดีในวัดบ้านก็ดีถ้าจะเห็นป้ายเขตให้อภัยทาน ตั้งแต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยนกนูโปรปีกสมัยนี้ก็ได้อาศัยวัดขาอภัยอย่างที่วัดอาดมาไหมแต่ในกุตินี่นกของนกเขามันพอมันหนีมันก็บินมาครูกรูกรูกรูมาจับในกฎตินี่แหละอาดมาก็เอาอาหารไว้ให้มันมันก็มากินมันก็มากินกินแล้วมก็บินหนีไปอยู่ตามต้นไม้ในวัด เราเริงมามันก็ขันกูกูกูกูกูกูนกโพลโดกเอยก้เอยนกกระพูดได้นกกระไรต่างๆนกเอี้ยงไก่ปลาอย่างนี้มันมีอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่ฆ่าออกจากวัดบริเวณวัดรอบๆแถวบ้านแผลบ้านโน น, นทับช้างบ้านดงบังบางใกล้เคียงบริเวณนี้ใกล้ๆรัศมีของวัดเนี่ยเขารูโ้โอ้นี่นกวัดนกเขาวัดนกเอี้ยงวัดนกกดวัด นี่ไก่ปานมาจากวัดเนี่ก็รอกคาเตะอยู่บริเวณวัดเนี่ยเขาไม่ฆ่ามันเลยที่เขาไม่ฆ่านั้นก็ทําให้เขาเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะศีลเพราะทําอนุภาพแห่งนักบวชที่บวชยุนิแพ้ไพศาลออกไปคุุมครองมันให้มันเกิดเป็นศกนอกจากคนมืดจริงๆคนไม่รู้จักบางทีมาจากสิง่งอื่นไม่เคยรู้เพอนกวัดไม่มีป้ายเขาก็ยิงมัน ได้ยินเสียงร้องกูกูกูไม่หวาตัวได้ยินเสียงนกกระปูดร้องอยู่ ใ, ใตล้คนเนี่ยมันคุ้นเคยอยู่ในวัดไม่เหมคอนธรรมะ mm. ก็นี่โอ้โหปีนึงไมอได้ือจะคักแทกเปืนยิ่งแต่คนส่วนมากเขาไม่เห็นไม่ค่ามีอาหารแล้วก็ให้มันกินตามที่พระเคยให้อย่างนี้จะไม่เรียกว่าอ น, นุสงอย่างไงคุ้มครองไปถึงสัตว์คุ้มครองไปถึงต้นไม้วันก่อนไปไประชุมกับเจ้าคณะสังฆาธิการป่าไม้ ป่าไม้เบาหวาขึ้นเครื่องบินดูถ่ายเห็นตรงไหนเขียวๆนั่นเป็นวัดทั้งนั้นนอกจากนั้นหมอดป่าไม้ในภาคอีสานเหลือเพียงสิบสี่เปอร์เซนั้งแ ต, งตง่ศตรออวรรษสองชงคาท่านอยู่ในเขตป่าสงวนยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสองทางก็ช่วยกันโ้คมครองป่าไม้รักษาป่าไม้เพราะชีวิตผูกพันธุ์กับป่ามันช่วยแวดล้อมแห่งที่ว่าอาตมาพระคันตู๋เดี๋ยวนี้ปลูกยี่สิบหกไร่ไม่ทําอะไรปลูกปลูกป่ามีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญ จากกรุงเทพมาหานครมาถาวายสตางไว้ประวัตแล้วแต่ท่านจะทําอะไรถวายไวห้าหมื่นบาทแตมากระซื้อที่หกหมื่นเอาเพิ่มอีกหมืนหน่นนึงแล้วก็บอกเก้วของเขาบอกว่านี่โยมสร้างกุฏิสร้างวิหารศาลาอา ล, ล, ลามไม่กี่ปีมันก็ผุ ก, ก่อพังไปเร้วแต่ที่ดินนี่ถ้าเราซื้อไว้มันปลูกไม่ได้เหมือนกุฏิเหมือนวิหารปลูกไม่ได้ปลูกที่ดินไม่ได้ปลูกดินนี่ปลูกไม่ได้ แต่เราซื้อไม่เป็นของวัดกว่าช่างว่ามันเถอะใครจะเรียกว่าของใครก็ตามเพียงแต่ซื้อคืนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ที่คอรอบครองหยกเอาที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนให้แก่รัฐแก่สังคมไม่ไปไหนพะระสงฆ์องค์เจ้าท่านปกครต้นไม้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลเรียกว่าทําป่ารักน้ําอารามรักนกพุทธสาวบกรักธรรมนาความเขียวขจีกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีสานไม่ต้อง ม, มัวรอ หวังรองก็ปัมมองประมาณจากทางลาดทางการทางไห น, นมันชามันยืดยากแต่มองเห็นประโยชน์แล้วเราเอาเถอดโยงก็มาถาวายไหวอารมาก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรเขาบอกวันแล้วแต่ท่านอาจารย์จะทําอารมาก็เลยซื้อดินในยี่สิบพอกไรแท่นี้ก็มาคิดต่อไปมันเป็นดินที่เขาทํานานแล้วร้อมรั้วให้ดีๆพักเนรนเรพากันทําเอารถไถมาไถคันนาออก ควรดินให้ร่วนซุยเอาต้นไม้มาปลูกต้นมะขามต้นปลาดูต้นตาเคียนทองกาเดาใส่มันเข้าไปสี่ห้าปีให้หลังกะคองเขียวสร้างเป็นวัณนหนอุทยานกรรมฐานนิคมกรรมฐานเอาวใครเดือดร้อนอาดูนใจจะมาฝึกสมาธิภาวนาก็ได้ที่โยอาใสยแห่ร้อนนอกพออาบน้ำบันเท่าร้อนแดดพระบังเงาร่มได้ ร้อนในอุระเราสิหรือรีร้อนพะกิเลสไม่หม่นเพียงเพิงสมมานิมาน่เอาจากนี้อยา่อยางนี้การบวชมันคุ้มครองไปถึงป่าไมา้ถึงทรัพยากรของชาติทำให้ดีๆชีวิตที่โกพันอยู่กับป่าเพราะเหตุนั้นมันลีกจากป่าไม่ได้พระศารดดาจเจงกาวา่าสเจเวพิขคเวสัมมาวิหะเลยยุงอสุนโยโรโกรอรหันเตหิอัตต ถ้าหภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบไฝ่โรคนี้จักไม่ว่างจากพระอาหารหันในประโยชน์สูงสุดทําให้โรคไม่ว่างจากพระอาหารหันโรคได้สงบรม่มเย็นมีธงชัยแก่มนุษยชาติคือการชนะถึงที่สุดของชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจะเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นการบวชที่ทําให้ ภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดับสิ้นแห่งความทุกข์ก็ดีอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมยัยพระาศาสดายืนยันอันนี้ถ้ามันจะหมดยุคหมดสมัยก็คือยุคที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบไม่เป็นอยู่โดยชอบในก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในมหาปรินิพพานนะโสนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายในวันนั้นนะมีคนคนหนึ่งกระเฮิดกระหอบก็ไปจะไปเฝ้า สุภัทธเป็นนักบวชนอกศาสนาที่คือทั้งหลายก็กั้นกางเอาไว้ว่าอยากเข้าไปรบกวนพระสาตดาเลยพระองค์กำลังทรงพระประชวร น, นักสองสามครั้งพระสัตดาก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเธอให้เขาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่เดบพบพระศาสดาได้ฟังธรรมเข้ามาเขาก็ถามใหญ่เลยว่าในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานี้แล้วศาสนาของเดรเดรทีนิคนปริพาชกอาเจรกเหล่านี้ครูทั้งหก มีสมณะไหมหมายถึงว่าูู้้ติบัรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันสมณะทั้งสี่ภาษาตดาภาวาทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเรามีเวลาที่จะพบกันน้อยทำไมท่านจึงไม่ถามปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความเป็นสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ได้และขันตรว่าอากาศเซวะประทางนัตถิในอากาศนี้ไม่มีรอยเท่านัตถิสมโนไม่มีสมณะ จะพาฮิโรในภายนอกภายนอกนี่ภายนอกจากทำวิไีไเนี้ไม่มีไม่มีเนี่ยอากาเซวะประทางนัตถินัตถิพาฮีโรจะ ส, สมโนโจะพาฮิโรไม่มีสมณะภายนอกจากาศาสนานี้ในตัวาศาสนานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแทฮัมบาวาัจเจเมพิกเวส ม, มาวิหะระยุงอสุนโยโรโกรหันเตหิอสักถ้าหาพกพุทธสุตังไรจะเป็นอยู่โดยชอบ โลกจักไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ถ้าอยู่โดยชอบในศีลสมาธิปัญญาศึกษาในโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย ท, ที่เป็นอยู่โดยชอบนั้นไม่ใช่ว่าเคร่งจนข้างไม่ใช่ว่าหย่อนจนยานมันจะอยู่ที่ความพอดีอยางน้อยประโยชน์แห่งการบวชที่มองเห็นเห็นดังกล่าวและประโยชน์โลกประโยชน์สังคมคุ้มครองไปทั้งหม่สัตว์ถึงต้นไม้เขตอภิญทานเป็นที่อยู่ของนักบวช ต้นไม้ก็ร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสตรงไหนคนมีศีลมีธรรมพระสงฆ์องคเจ้าที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเข้าประโยชน์ไม่แต่ต้นไม้ก็สดชื่นแจ่มใสหมูวิหกนกภัยก็ราดเริงเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอนิสงส์อหนักพระศาสดาทรงตัดไว้ในประโยชน์ที่แท้จริงของการบวชที่เป็นประโยชน์ไปนอนุสวรณ์อนิสงส์แท้แท้ท่านตัดไว้ในทุกกรนิบบาทอังคุ ต, ตในกาย อยู่ในปัญนาสกาสังคาหิตาสุตตันตาทุกขณิบาคุตในกายที่นพูดไว้ในปีดอกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยสามสิบเจดหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามท่านบอกว่าที่สุดทั้งหลายการบวชอุปสมบทอันตรภาคตอนุญาตและเกศสาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อการปิดกั้นอาสะวะ ในทิฏฐธรรมนี้หมายเขาว่าไปตั้นสิ่งที่จะสะสมลงไปในจิตใจให้มันเกิดความทุกข์ความแห่งแก่ตัวทั้งหลายในชีวิตนี้ทีว่าทิฏฐธคํานี้คือในภพเทวเห็น่งนี่และเพื่อการทําลายอาสวะในสัมปรายิกะภพภพหน้าช่วยฟังให้ดีว่าในชาตินี้เราแม้จะไม่ได้เป็นพระอรหรอันต์พระอริยเจ้าแต่เราประพฤติดีงามโดยชอบในธรรมวินัยนี้ มันจะปิดกัน้นไม่ให้กิเลสเจริญไม่ให้กิเลสอาสวะนี่เจริญขึ้นในที่ธรรมนี้แล้วมันก็จะเป็นข้าวปลูกโลกแนวเป็นอุปนิสัยใจคอกายเป็นธรรมชาติที่คุ้นเคยต่อไปในพบหน้าตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็จะได้บวชมันก็จะได้บวชแล้วจะทําลายให้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดเพิ่มมันปิดกั้นไปแล้วมันน้อยลงแล้วมันอ่อนตัวแล้ว เอาเราจะเห็นว่าบางคนบวชมาตั้งแต่เน้น้อยไม่สึกเลยไม่สึกเลยทั้งนั้นที่ไม่ได้บําเพ็ญอะไรดอกบวชยุ่งั่นแต่ท่านก็ไม่สึกท่านก็ไม่ใช่กระเทยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนผิดปกติร่างกายก็อุดมสมบูรณ์จำคำจำล่ําสันแต่ท่านไม่สึกเพราะอะไรท่านมีบุญมีอานิสงส์มาแต่ชาติก่อนตอโน่นพระเดชพระคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์บางองค์อยู่ในบ้านจนตายไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ภาวนาอะไรแต่ท่านอยู่ของท่านได้ นิริวัว่าท่านได้ปิดกั้นอาสวะของท่านไว้แล้วในภพกอดนู้น ون, มาในภพนี้ซึ่งเป็นสัมปรา ย, ยกับภพบของภพกอดนู้น ون, ท่านก็ค่อยทำลายไปทีละทีลนี้ที่สุดทั้งหลายการอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่ตาบกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์อนอนน ส, อสองอย่างนี้แล่อันนี้สองสองอย่างนี้ปิดกั้นอาสวะความเคยเชิยนที่จะก่อให้ทุกอาหารของกิเลสจะเกิดขึ้นหมองหมองในชาตินี้กัน้นมันไม่เขามาบวมมีหูมีตาสัมรวมอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่เจริญ กิเลสนั้นมันไม่เจริญแต่ธรรมะมันจะเดิญขึ้นนี้คือประโยชน์แท้จริงจดมุ่งหมายปลายทางของการบวชทีนี้ประโยชน์พิเศษนะท่านก็นยังพูดฝากเอาไว้นอกจากจะเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์เป็นส่วนตัวแล้วการบวชจะเป็นการเสรบอายุของศาสนาของพอมมาจันชนิดที่ยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศพิกษุย่อมเสบอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าเพศคัรวะอย่างทุกวันนี้ศาสนาพุทมีในประเทศไทยสองพันห้าร้อยสามสิบสามปีเพราะมีพระ ทิศจรซามันเียนเสืบทอดกันมาพวกเราได้บวชพราหมีครูบาอาจารย์อุปชาเสือกกันมาถ้ามันหมดตะแลี้ยงก็จะสิ้นไปาศาสนาจะเสื่อมเสื่อมที่หนึ่งปริยัตเสื่อมไม่รู้จากบาบุญคุณโ่ษไม่รู้จากคําสังสอนสตอ่อมาก็ปฏิบัติเสื่อมไม่มีการปฏิบัติถ้าปริยัตยังอยู่ปฏิบัติก็รังยังดกเดี๋ยวนี้วัดวาอารามสอนปริยัติที่ทำซ้อนอยู่บ้างบ้างถึงแม้ไม่สอนปฏิบัติพวกที่อยากหลุดพ้นเมื่อเรียนปริยัตแล้วมันก็ห้าทางออกไปอยู่ป่าจนได้ไปทําความเพียรอยู่อย่างนี้ ปริยัติไม่เสื่อมปฏิบัติก็ยังอยู่ถ้าเสื่อมปริยัติปฏิบัติเสื่อมเมื่อปฏิบัติเสื่อมแล้วปฏิเวทผลของการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกเชื่อกันหลังจากนั้นก็ลิงคอันตรธานเพศเพศเพศทิศุ่มก็หมดไปบวชไปแค่นั้เท่านั้นเองเพออันตรธานหมดศาสนาธรรมธาตุอันต ร, รธานนิโรธทาธาธาติดับไปจากทุกธรรมชาติที่เห็นว่ามีทางดับทุกอย่างมันจะดับไปหมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นท่าจะบอกว่า การบวชนี้เป็นการเสอบอายุพรอมมาจันชนิดิยืนยามมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุนั้นย่อมเสอบอายุสาตนาไว้ได้ดีกว่าคาราวาสแล้วบวมาสามเดือนก็เสอบอายุมาสามเดือนท่านตัดไว้อยู่ในมัคะเทวมพสนราชวัมมชมัชุมปนามัชุมาเนกาประเถรปิดกเล่มที่สิบสามข้อดี 3, ่สีแล้วหกสิบสามนาทีสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด จะบอกภาษาบาลยนะถัดไว้ว่ามันดูก่อนอานุนเราย่อมกล่าวการยานวัตแก่เธอโดยประการที่ว่าเธอจะพึงให้เป็นไปตามได้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยอานุนเพราะเมื่อบุรุษใดกําลังเป็นประโยการขาดไปแห่งการยานวัตมีขึ้นในระหว่างนั้นบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเป็นตน้น นี่แสดงการบวชที่ถูกต้องเป็นการต่ออายุสศาสนาให้เยืดยาวไปด้วยัคณะอาจจะฟังไม่ถกที่พระศราสดาบอกว่าการยานวัตคือการประพฤติปฏิบัติอนงดงามที่เราได้กล่าวแก่เธอทั้งหลายโดยประการที่ว่าเธอจกพึงให้เป็นไปตามได้คือจะปฏิบัติตามได้ไม่ใช่เลือวิสัยเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษหม่ในที่สุดของเราเลยคํานี้ภาษาบาลีว่าอันติมะบุรุษอันติมะบุรุษ อย่าเป็นคนสุดท้ายบอกภาษาเขาคนสุดท้ายบวชมาแหละเจ้าของกับพระหจ้างยังบอกให้สอนมูนำก่อนมายังกินแล้วก็ น, นอนเท่านั้นหาเงินหาทองไปตายแล้ก็ได้ผมมีผู้ใดสอนนาเลยอย่างนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ ด, ดีก็มีคนตามหลังมามีลูกศิษย์ลูกหาโอ้อยากบวชอยากเรียนกับครูบาอาจารย์นั่นทันสอนดีไปถึงแล้วก็นแนะ น, นํำความสอนเออแม้จะตายไปแล้วเขาก็ยังสอ น, อนกลางไล่กันมามากร า, าบมาไหว้ศพเครื่องบริคลงบริครัน อาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นหันตายมรณภาพมาตั้งนานแล้วใครไปก็ไปคาไ ป, า ไ, ปไหวอนุสาวรีย์ของท่านเวลาหันตายคนมาเหมือนฟ้าโมดินนั่นแหละที่ว่าท่านไม่เป็นอันตีมะานนี่เป็นไปที่ว่าเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปอยู่อาการขาดไปแห่งตรายานวัตรไม่ขึ้นในระหว่างนั้นคือถ้าไม่ปฏิบัติเมื่อถึงที่สดุดไม่ปฏิบัติ บวชมากินมาบ่มีไผ อ, อ, อ, อ่อนสอนโอ้อยากเป็นคือผู้นั้นเด๊เอคืออาจารย์นั้นเดน้ย่งบ่มีผู้ใดอ่อนสอนตายแล้วก็เดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นอันติมาบุคคลเป็นความเสื่อมอันหนึ่งเหมือนพ่อข้าลูกว่าผูา้ใดจนสอนอยู่ในสัรมัสโม ส, มสโสดอังคุตานิกายว่าภาษาตนะจะเสื่อมในส่วนหนึ่งบว่าเสื่อมเพราะพระนี่อีเหมือนกันเป็นอันติมาบุคคลเป็นพระผู้ใหญ่เป็นรัตตันยูหลวงการผ่านใบ ไม่ค้นคว้าในกิจการแห่งวิเวกครอบเสเสนาสนะป่าอันสังกัดไม่ศึกษาอาธิสินสินอันยิ่งอาทิจิตจิตอันยิ่งอาธิปัญญาปัญญาอันยิ่งสิ้นสมาธิปัญญาหลังจากนั้นตนเองไม่มีความรู้ทางสิ้นสมาธิปัญญาให้มากก็ไม่สอนคุณระบที่บวชสุดท้ายภายหลังแต่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้คุณรตรทั้งหลายบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่สอนไม่ควนคว้าในกิจการวิเวกไม่สอนเหลืองสิ้นสมาธิปัญญาอบรมจิตอย่างไรให้สงบอย่างไรวิสุทธโทสมาหิโตกัมมันโยอย่างไรไม่สนใจ และเต็มไปด้วยการเป็นผู้สะสมเป็นหัวหน้าแห่งการก้าวล่วงทําวินัยโลกสิทธิโลกหาผู้บวชสุดท้ายภายหลังก็เห็นว่าอันนี้เป็นความเสียถูกต้องเขาก็ทําตามอย่างเมื่อทําตามอย่างไปทําเลื่อนวินัยเลือนเลือนเลือนเลือนเลือนเลือนมันก็เป็นคนสุดท้ายอันติมบุรุษบุรุษสุดท้ายว่าเงี้ยการขาดไปแห่งกาลยาณวัดมีขึ้นในระหว่างนั้นในระหว่างที่เราบวชนี่ยไม่มีใครเสีบต่อมาเลยบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุด ของบุรุษทั้งหลายเห็นไหมเพราะเห้นนั้นเราท่านจึงกล่าวว่าตันญญาณวัตรที่เรากล่าวแก่เธอโดยประการที่เธอจกักพึงให้เป็นไปตามได้เธอตั้งหลายอยากเป็นบุรุษในที่สุดของเราเลยแสดงว่าถ้าพวกเราบวช ก, กันด้วยความจริงใจบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้พ้นจริงคนอื่นประพฤติปฏิบัติจริงเฮตนํตนำทำตามคําสั่งคำํำสอนปฏิจุบันที่เราพูดนี่ได้ว่าสืบอายุสัตนาบวชสิบ ว, วัน ไอคนอื่นเห็นตาไหวมาสิบวันอ่อนซอนมาสิบวันนั่นก็เรียกว่าเสบอายุมาได้สิบปันเระมองไปไกลอย่างนี้ทีนี้ก็อยา ก, กันเลยมาเอกหน่อยว่าการบวชนี้มีประโยชน์แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่แมบางคนแค้นกระด่างยาคลายไม่ค่อยเขาวัดเขาว่าซากทีตั้งแต่ลูกยังไม่บวชพอลูกบวชแล้วก็เป็นห่วงลูกไปจังหันวันซ้อนไปเพนเป็นประจําไม่ไปก็ได้ฝากวันดีคืนนีเกาะไป เหตุี่ไม่เคยใกล้ชิดวัดบัตรนี้ได้ใกล้ชิดแล้วเพราะลูกได้บวชคือลูกนั้นดึงแก่ขึ้นสวรรค์เมื่อเขาวัดเดชธรรบุญสุนทรทานได้สมาทานสินเดชฟังเถรกูบาอาจารย์เถรเกาะหูเช้าเย็นบาบุญคุณถดประโยชน์ไม่ใจประโยชน์เป็นยังไงในที่สุดก็ค่อยแจ่มแจ้งข่าวแจ่มแจ้งขา่าวเมื่อเข้าไก่ก่อฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก่อโยนโสมนาติการไขควรไปตามหลังจากนั้นก็เห็นจริงไปตามด้วยก่อป่าปพืชปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ปิดประตูอบายไขยประตูสวรรค์แต่ เรียกว่าดึงพ่อแม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่อานิสง์มันยาวไกลเพราะเหตุแห่งลูกบวชนั่นเองจึงดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อตอนก่อนนู่นเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานเรื่องคุนถึงคุนเถืองกล่อมลูกนางนีกล่อมลูกนางอ่อนฝีกล่อมลูกเป็นคํากล่าวที่สะท้อนบรรณตำเรื่องราวในอดีตสอนใจคนโบราณในหวังและเกินให้โลกให้เต่านี้เป็นผู้ดึงขึ้นสู่สวรรค์ นางนีนางอ่อนสีกล่อมลูกทําให้เราได้เห็นคุณค่าของตารบวชอีกแบบหนึ่งคนเบลาณยังกล่อมลูกนอนไปอย่างเช่นครับว่ารูนสลารลับตาแม่สิกอมคําเพงไม่นี่เอยคําเพงแม่นี่เออ แม่ไปห้เสียเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเสียเอาฟ้ามาปอนแม่เลี้ยงมอนเขาพาสวนมอนเด็กอ่นซ้อนมันลุกมันตื่นลูกน้อยห้ง้มไตกระบ้벙เสียงทมทมขี่เยียวใจแม่ เลี้ยงลูกน้อยแม go no <tr> so ่นมันอยางวันซากพ่ออยากพาลูกคูวไปบวชสร้างพนวดใ้ศาสนาเจ้าง่มากให้เจ้าไปวหวยขันเป็นทายให้เจ้าไปบวช ในยิ่งโหดในสิ้นในธรรมได้จับน้ำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก้ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องสะท้อนออกให้เห็นคุณค่าของการบวชแม่สอนลูกในน้อยที่นอนอยู่ในแป่นอนตาใสๆฟังเสียงแม่กล่อม ใส่สมองเล่น้อยอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบกำลังแจ่มใสแม่เล่าเรื่องความทุกข์ยากลําบากที่แม่เลี้ยงลูกมาด้วยความทุกข์ยากในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกหน่อยหาง่มแตกกระองเสียงท่อมๆขีดเหนียวใสแม่เลี้ยงลูกน่อยแม่มันอยากมันทราบพ่ออยากฟ้าหลอกพราไปบวชสั่งผนวดไม่ศาบนะตอนแรกลำพึงลำพันถึงความทุกข์ยากลําบากที่แม่เลี้ยงลูกมาอยากจะไปบวชอยากจะหนีจากลูก แต่ก็ไปไม่ได้เพราะคิดถึงลูกและเตินในที่สุดแม่ก็เลยฝากความหวังต้องการอนิสงฆ์แห่งการบวชของลูกบอกว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยิงหวดในศีลในด้ำได้จานำคุณพอ่อคุณแม่พ่อได้แก่เดึงขึนสวรรค์ต้องการคุณงามความดีจากลูกที่จะปิดกั้นประตูแห่งอบายนาพ่อแม่ขึ้น